ออเริ่มเรื่องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งประทับแล้วพระกระสาวกทั้งสองและวิสุท์ที่เหลือนั่ังทั้งหลายเหล่านั้นนั่งบนอัศนะที่บรรดาฤาษีจัดแลกเกตตนเกตตนสำหรับท่านสรตทะดาบทได้ถือฉัดดอกไม้ใหญ่ เยืนกันเหนือสเสียงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสมัพพุทธเจ้าทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่อันนี้วันก่อนผมเตือนท่านไว้แล้วว่าเวลาเขาใส่ใครเขาใส่บายเขาทําบุญเขาถวายของก็ขอให้ทุกท่านสัมโรมจิต ให้ดีที่สุดท่องสยที่สุดตามที่เยื่พื้นของสยได้แล้วก็ตั้งกิตอธิฐานถึงกับ เ, เป็นการสนองคุณงามความดีของท่านหลายที่ให้การสงเคราะห์ได้ ว, ว่าตามที่ผมแนะนำไปรู้สึ ก, ก ย, ยาวย่ไปควรจะเอาอย่างองค์สมเด็จประจอมไตรบรมศาสดาองค์นี้ที่สันตวาขอสักการะของชาดินี้ เราก็คงควรจะคิดว่าอธิษฐานว่าขอสการะของท่านผลผู้มีคุณนี้จงมีผลใหญ่อย่างนี้จะมีผลเพราะเป็นการสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจงอย่าหิ้งเกลาาสการะและจงอย่าถือเอาราคาสิ่งของที่เขาให้เป็นสำคัญ เมื่อาจะรับผลจากท่านผู้สงเคราะห์จงเถือกำลังใจเป็นใหญ่ถือว่าของที่ท่านให้นั้นเป็นของที่ดีที่สุดที่ท่านจัดมาแล้วฟังต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสรัสันดาพระองคท์ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสองพระากาะสาวกดี ที่สุทันหลายนอกนั้นที่เหลือก็ดีทราบพระองค์สมเด็จพระจินทรสีเข้าสมาบัตแล้วต่างคนต่างก็เข้าสมาบัตด้วยเป็นอนว่าทัา้งหมดก็เข้านิโรธาสมาบัตเหมือนกันความจริงนิโรธาสมาบัตนี่เราจะใช้ระยะสั่นก็ได้ยาว ก, ก็ได้ จะเข้าไปสองสามนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้เจ็ดวันแปดวันก็ได้หลายหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ได้ เ, เรื่องไม่ใช่ของแปลกนี่ผมว่าอย่างนี้เอาละท่านจะว่าแปลกจะไม่แปลกก็ช่างผมว่าไม่แปลกเป็นของที่เราจะควรทำกันได้อย่างไม่ยากนะัก ต่างองต่างเข้าอนิโรธสมาบัติเมื่อสมเด็จตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันบรรดาพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาที่เที่ยวเพื่อไปฟิกษาเมื่อบริพภกมูลพระลาผลนในป่าแล้วก็ยืนประคองอัเชลีอันเตวาสิกนี่หมายถึงว่าลูกศิษย์ของ ท่านเซลานดาบทยืนประคองอัญชลีคลือยอยืนพนมมือสแสดงความเคารพแด่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดฝ่ายเซทานดาบทไม่ยอมไปสู่ที่พิชซาจานหมายความว่าวันนั้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านยังไม่ได้ฉันอาหารกัน เชดินหรือว่าฤาษีทั้งหมดยังไม่ได้ฉันอาหารพระเจ้าไปก่อนเวลาบรรดาลูกน้องเห็นว่าพระเข้านิโรธสมาบัติเร่งว่าจะหิวไปหาผลไม้มาฉันก่อนแล้วก็มายืนนมัสการฝ่ายพระอาจารย์คือสรทธรรมบทเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธาสมาบัติและพระทั้งหมดเข้านิโรธาสมาบัติไหมกัน ท่านก็ไม่ยอมละไปถือว่าพระยังไม่ฉันเพียงใดท่านก็ยังไม่กินเพียงนั้นเมื่อมันจะตายก็เชิญตายกำลังใจอย่างนี้ในบรรด า, าท่านทั้งหลายจำามาไว้เวลาที่ปฏิบัติธรรมอย่าห่วงร่างกายเกินไปก็ผมใช้คาว่าอย่าห่วงร่างกายเกินไปร่างกายนี้ต้องห่วงแต่ว่าอย่าห่วงให้เกินพอดี จึงคิดไว้เสมอว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขเราเราเมื่อร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายล้วก็ถ้าเราเกาะมันเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลาที่กำลังใจของเราจะเข้าถึงความดีได้เราจะปล่อยภาระที่มีความห่วงใยงในร่างกายนั้นเสีย ในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดของความดีข้อนี้เป็นเรื่องสาคัญเลยครับกำลังใจอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจที่พวกเราควรจะตั้งกันไว้ควรจะคิดกันไว้อย่าทำใจให้โลเลผมนับสลดใจบางท่านนะบางทีไม่รู้การไม่รู้สมัยไม่รู้สถานที่ ท่านทังนี้แนะนำสั่งสอนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ยังทำตนนอกรีดนอกรอยอันนี้ผมรู้ฟังกันไว้จำกันไว้แล้วปฏิบัติก็ไม่ด้วยสิไม่ใช่ผมจะไม่รู้นะผมรู้แต่ยังไม่ถึงเวลาบางทีผมหายเหนื่อยสักนิดหน่งหายเหนื่อยสักหน่อยเวลานี้มันเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักผ่อน ว่ากันต่อไปสำหรับพระอาจารย์ไม่ยอมฉันาหารก้านฉัดดอกไม้อยู่อย่างนั้นแหละให้เวลาล่วงไปโดยที่มีปีติคือความอินใจและสุขตลอดเจ็ดวันจะลืมว่าท่านสรททารบทท่านได้สมาบัตแปดนีนก็ได้ปัญญาห้าเป็นปัญญาโลกีอวิญญาที่เราเรียกว่าหก จะครอบคกได้ก็ต้องมีอาสะวะขย า, ยานเป็นพระอริยเจา้าแต่นี่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจา้าท่านมีภิญญาห้าและสมาบัตแปดจะนั้นการจะยืนอยู่ในการอธิฐานแบบนั้นเจ็ดวันเป็นของไม่ยากเป็นของทําง่ายต่อไปเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาสม <c oughs> เด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว ตรีพระนิสสะเถระและพระพระอักษาวกผู้นั่งข้างขวานี่ด้ยรับสั่งว่านิสสะเธอจงทำโมทนาอาสนะดอกไม้แกบันดาดาบุตรทั้งหลายผูท้ทำสักการะ พระเทระมีใจยินดีประดุจหนึ่งแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ <c oughs> จากสำนักของ เ, อเจ้าจาักรพิราชตั้งอยู่ในสาวกษ บ, บรรียานเริ่มมาดมูธ น, นาอาสนะดอกไม้เคอานิสงที่จัดอาศนะด้ดอกไม้เนี่ยท่านโมธนาท่านโมทนาว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกเหมือนกัน ในที่สุดเทนเทศนาคองพระ น, นิสภพเทระนั้นสมเด็จพระพกาวันได้จัดเรียกพระสาวกองที่สองได้รับสั่งว่าพิคเวดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้เธอจงสแสดงธรรมพระอนุมะเทระเป็นอาคสาวกฝ่ายซ้ายได้พิจารณาพระคุตวจนะ คือพระไตรวีดกแล้วก็กล่าวธรรมด้วยพระธรรมเทศนาของอากขสาวกทั้งสองการตัดเรลูมิได้มีแดบรรดาดาบทแม้จะรูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าบรรดาดาบทรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดดาบททั้งหมดนี้เป็นผู้ใดพิญญาสมาบัติและสมาบัติแปดหมด แต่ฟังเทศจากอากระสาวกทั้งสองแล้วแทนที่จะได้บรรลุมรรคกลับไม่ไดับรรลุมรรคทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาเป็นพระที่เองเป็นดาบทที่มีกําลังใหญ่แล้วก็ต้องเป็นดาวบทที่เป็นมีสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาจเสนาจะทรงสงเคราะเองจิ่งจะมีมรรคมีผลถ้าเรื่องนี้ท่านสงสัยแล้วก็วันหน้าอาจจะมีโอกาส จะได้พูดให้ฟังวันนี้ตั้งใจจะว่าทัสองตอนให้จบไปเลยขันองค์สมเด็จพระกาวนบรมั์สัญญาตั้งอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณคำว่าพุทธวิสัยวิสัยพุทธเจ้าเนี่ ย, ย, ยหาประมาณไม่ได้มากมายหรือเกินจึงได้เริ่มสแสดงพระธรรมเทศนาในการจบพระธรรมเทศนาบรรดาชาดินเจ็ดหมื่นสี่พัน ยกท่านสารทดาวหมดเสียทั้งหมดมลุอัลลหันทั้งหมดอ ง, ง์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเหยียดพระหัตและตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นพิสุขมาเถิดท่านใดนั่นเองผมดันหนวดของมันดาชะดินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปแล้วบริขารแปดที่สําเร็จประนริศก็ลงมสวมกายของพระองค์นั้น อันนี้ท่านสงสัยไหมใ น, นเคยผ่านมาแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรื่องของฤทธิ์แล้วก็อย่าเข้าไปสนใจถ้าจิตใจของเราไปเปรียบเทียบกับท่านผู้มีฤทธิ์ระบาบ่าปเปล่าๆไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ทําตามถ้าอยากแะรู้นะทำสมาบัดแปดให้ได้ทำมาเป็นยาให้ให้ได้มันเป็นของไม่ยาก สำหรับเราเอาจริงกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังรือคนที่ในวัดของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าสนใจจริงจรงตั้งใจจริงจรงเรื่องสมาบัติแปลที่มันเล็กเลกเกินสำหรับอภิญญาณนี่ผมก็ยังหนักใจนิดเพราะต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญชดสามสัญญอห้าสัญญชดสิบ เป็นของไม่อยากว่า พ, พูดกันไปพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหลายจะไม่สนใจในความดีเท่านั้นที่จะไม่ได้ที่จะเห็นเลยว่าเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ก็เป็นนั่งออกก็ที่หน้าธุทรทัศน์บ้างเวลาเขามีคนที่ร้านค้าก็ไปนั่งชุมนุมกันที่นั่นบ้าง เวลาจะพูดจาปราสัยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ดูการเวลาไม่ได้ดูบุคคลอันนี้สนแสดงว่าบุคคลประเภทนั้นไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้สนใจในสวรรวิสัย <c oughs> ยิ่งได้ดีไม่ได้ไม่มีทางใดที่จะได้ดีเพื่อขาดการระมัดระวังถ้ามีการสัมรวมอยู่ปฏิบัติตนอยู่ในจารณะสิบห้าสมาบัตแปดเป็นของเล็ก พอเจรณาสิบห้านี่จบสมาบัตสี่แล้วถ้าได้สมาบัตสี่แล้วเจริญสมาบัตแปดในรูปฌานไม่เกินครึ่งเด่งก็ได้หมดนี่เป็นของง่ายๆจําจไม่ดีนะที่เจริญตัวเองด้วยอัตนาโจติยตานังซึ่งเตือนตอนได้ตนเองแต่ ว, ว่าการเจริญสมาบัตแปดนี้เพราะว่ายากกว่าการตัดสังโยคสามเพราะสังโยคสามนี่ตัดง่าย เว้นไม่แต่ว่าเราจะไม่สนใจกันเท่านั้นดูพวกเราเองนะชอบไปออกันที่ร้านค้าไหมชอบไปจำนวมกันที่นั่นไหมได้ชอบปูจาปลาใสในการที่ไม่สมควรไหมชอบดูโทรทัศน์ไหมถ้าชอบแบบนี้ไม่มีทางเพราะไม่ใช่สมณวิสัยที่เพิ่งทำแบบนั้น ท่นานบาลีท่านกล่าวมาว่ามีคําถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรส้าท่านดาบดจึงไม่ได้บรรลุอลหรหันต์ด้วความจริงท่านน่าจะได้บรรลุอลหรหันต์เพราะตั้งใจบูตร ด, ดีตามพระบาลีท่านก็แก ว, ว่าเพราะความที่เป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านนี่สิเจอมาชนเราพวกเราบางท่า น, นกำลับบง ยังไม่ได้อะไรกันนะ่องที่อาจจะมีจิตฟุ้งซ่านไอ้จิตฟุ้งซ่านนี่มันเป็นนิวรน์นิวรณ์แปลว่าทาเป็นเครื่องกั้นความดีเป็นทรรม่ายอาุศสนวันนี้ผมเป็นบัตรนะเป็นบัตรก็รู้สึกว่าเพลียมันจะจะลุกนั่งไม่เคยไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดีของท่าน แต่ว่าตั้นต้องการความดีผมก็พร้อมที่จะระสลัชีพเพื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกขณนะแต่ว่าแต่ผมสลัชีพเพื่อธรรมะของพระเจ้าได้ทุกขณนะเพื่อบอกท่านแต่บางเอื่นพวกท่านไม่สนใจก็เป็นเรื่องของท่านเองนะครับเวลาตายไปแล้วไปตกนรกจะไปนั่งบอกว่าเอ๊ะผมไม่ช่วยในะไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าว่าอัตาหิเอตัตโนนาโถตนแลอยอมเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถบโรยาบุคุณอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อาตาหิสุทันเตนะมะเราฝึกฝนตนดีแล้วใสานาถังและปฏิปังเราย่อมจะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึงได้โดยยากดูคุณเอถรสีสุสวตรตนายุธยาและคุณอ๋อย ก่อนหน้านู้นหลายเดือนมาแล้วเป็นปีแล้วก็ก็พล่ำบนแต่เป็นว่าต้องการพนิพพานอย่างเดียวไม่ปรารถนาการเกิดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตทำไปเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนี่เขาเป็นชาวบ้านแล้วเเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วว่าจะโทษกันว่าผู้หญิงเป็นชาติตี เป็นเพศที่มีความต่ำช้าแต่นั่นไม่จริงพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าผู้หญิงก็เป็นพระพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีความเจริญสม่ำเส ม, สมอกับผู้ชายสามารถจะบรรลุมรรคผลได้เราคุยกันต่อไปได้ยินว่าจำเดิมแต่การนื่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยที่ท่านสัทธาดามบทมีจิตุงซ่านจึงไม่ได้อรหัสผล ตอนพมบาลีกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่การที่ท่านสาัทานดาบนั้นเริ่มฟังบธรรมเทศนายของอักษาวกพู้นั่งบนอัศนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสาวก บ, บรมียานแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้หนอแม่เราได้ฟัง ได้รับธุระที่สาษาโรกนี้ได้รับในการแสดงในในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ผู้จะบังเกิดในนาคตนี่หมายความว่าพอฟังเทศับาอาษาวลกแล้วท่านก็คิดว่าเราเนี่ยหมายอยากจะเป็นอาคัสาวกบ้าง ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกในการต่อไปเราต้องกันเป็นอากาสาวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอดิฐานนบารมีเสร็จแล้วถ้ตามพระบาลีถ้าว่าจิตฟุ้งสายก็หมายความว่าร้านโดยการฟังแล้วไม่คิดตามเตืนว่าท่านเป็นอากาสาวกมีศักดาใหญ่ที่องค์สมเด็จไตรจอมไตรบรมศาสดา ทรงให้โอกาสแสดงบัธรรมเทศนาก่อนจริงเห็นว่างานนี้เป็นงานเด่นมากเราอยากจะเป็นบ้างก็เลยฟังไปแล้วก็คิดไป <c oughs> ไม่ได้บรรลุมากบรรลุผลเดียวก่อนมาลีอว่าต่อไปเพราะอาศัยความปริวิตกอย่างนั้นถ้าท่านดาบทจริงไม่ได้มีโอกาส ที่เยาพึงทำการแทงตลอดมากผลได้ก็เวลาฟังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจรารณาฟังแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเป็นอกากาสาวกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างบรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็จะได้เป็นอราหารันต้าเป็นไม่ยากด้วยเพราะมีกำลังแก่กล้ากว่าคนอื่นเหมือนกับพวกเราบางท่านละมั้ง ที่ฟังกันอยู่ทุกวันแล้วก็ยังประพฤติตนไม่ดีอยู่บ้างนี่ผมก็เลิกเกรงใจแล้วนะงานการท่านดีทุกสิ่งทุกอย่างคนดีจะไม่ดีหมดหรอกบางท่านก็หลีกเลีเ่ยงเหมือนกันแต่นี่ที่เราฟังกันทุกวันแล้วทาไมจึงไม่มีผลเพราะาเราขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ท่านฟังกันคราวเดียวนะท่นานใดมักได้ผล เราฟังกันวันละสี่ครั้งก็ยังยังจะมีบางท่านไปออกกันที่ร้านค้าบ้างนั่งแช่อิงกยู่บ้างดูโทรทัศน์กันบ้างมีผ้าวิจารณ์อะไรกันบ้างไม่ดูการไม่ดูสมัยไม่ดูสถานที่อย่างนี้เขาเรียกไม่ชื่อว่าสวรรค์สวรรคแปลว่าผู้สงบอย่างนั้นอย่างนั่นก็แปลผู้ฟุ้งซ่านเนีย่ยไม่ใช่สวรรค ว่ากันต่อไปก็ท่านยืนถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารเสน็ด้แล้วในที่ยาเพาะประพักจึงได้กล่าวทูลว่าพันเตพระก ว, วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าพูะเจริญพระพุทธเจ้าข้าที่สุทินั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ชื่อว่าอะไรครับ สมเด็จพระจอมไตรมีทรงพนาม ว, วันโนมัทศีจึงได้มีพระพุทธดีกาจักรวาพิสุผู้ยังธรรมจักอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามนั้นบรรลุที่สุดแห่งสา ว, วกรบรมียานแทงตลอดปัญญาสิบหกอย่างตั้งอยู่ ผู้นี้ชือ่อว่าอาสสาวกในศาสนาของเราคืออัคระประพุ้เลิศเป็นสาวกผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกท่านหลายในศาสนาของพระองค์ท่านได้ทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งชัดดอกไม้ดอกไม้ทำแล้วตลอดเจ็ดวันนี้ขอข้าพระองค์ มีในปรารถนาความเป็นเทา้าสกะคือไปอินหรือว่าไปเือว่าต้องการจะเป็นพรหมแต่ว่าข้าพระองค์ขอเพึงเป็นอากาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, า, าองค์ใดองค์หนึ่งในณนาคตการเหมือนพระฤิษสภระเทระองค์นี้เองไม่ละท่านตั้งใจจะเป็นอากาสาวก ท่านก็นทงพระพุทธเจ้าองค์ไดองค์หนึง่งแต่พระพุทธเจ้าทรงบนาว่าอนุมตัตสีท่านมีเสร็จแล้วนี่ก็ต้องรอต่อไปเป็นอนว่าวันนั้นจึงไม่ได้อานาตผลแปลว่าลุกน้องทั้งหมดเป็นอานาตผลทั้งหมดรมพรพ้อมไม่ได้ปฏิสัมภิทายาณก็ได้สมาบัตแปด <c oughs> องค์สาเร็จพระวิษมาทรงทรงพระอนาคตัสิาณ นี่คุณฟังคนไม่รู้เรื่องเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจา้าสมภนามวโนมัทตสีเมื่อสรดับถ้อยคํำก็สะาัดาบทดังนี้จึงได้พิจารณาด้วยอำนาจของพระพุทธญาณเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายพระพุทธญาณในปัญญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษนี้จากสําเร็จหรือไม่หนอ ในทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอาสงไขยิ่งด้วยกําไรแสงกลับไปแล้วจะได้สําเร็จรอบอีกหนึ่งอสงไขกับอสงไขนี่นับไม่ได้เลยว่าสงไขล้วก็ยิ่งด้กําไรอีกแสงกลับหนึ่งอสงไขกับแสงกลับจะได้สําเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงทรงตรัสพระสารดาบทว่า ความปรารถนาของท่านนี้จกไม่เปล่าประโยชน์เพราะว่าในอนาคตล่วงไปเนืองสงไข ย, ยิ่งเลยแสงกลับพร <c oughs> <c oughs> ะพุทธเจ้าสมนามว่าสัมนณโคดมจะทรงบั่นขึ้นในโลกเพื่อมานดาคำองจะมีพระ น, นามว่ามหามายาเทวี พระพุทธบิดายาสมะนามของพระองค์สมเด็จพระกจินสีนามว่าเอเมย์นะพระพุทธบิดายาองค์สมเด็จพระกจินสีสมภนามว่าสมณโคดมนั้นจะมีพระนามวัสดุทนะมหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราขุนพระผู้บัญชาจะมีพระนามพระอานนท ้าคสาวกที่สองคืออาคสาวกจะมีนามว่ามุคลานะส่วนตัวท่านจะได้เป็นอาคสาวกของพระองค์น า, วามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรครั้ <c oughs> นทรงไป ย, ยกรดาบทนันแล้วได้จัดธรรมกถามีพิสุสง์วด ล, ล้อมแล้วเข้าไป เพื่อนั้นคำาบยากรก็ อ, อ, องสมเด็จพระจอมไตรเนี่ยทรงบอกรายละเอียดรูรละเอียดยานนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวคนตอไปว่าฝ่ายสัทธาดาบทไปยงังสำนักขมัเิระพวนเป็นอันตีวาสิกแล้วส่งข่าวไปแก่สิริวัฒน์พัฒนศิรีวัทนกุลุมพีผู้เป็นสหายว่า ท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าวา่าทถานดาวุฒผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งอาคัสสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงบัติขึ้นในานายข้าราการแทบบาทธรมูนคือว่าใกล้พะบายขพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้สาสรงบรรนามว่าโนมทัทสีแล้ว ท่านจงปรารถนาตําแหน่งเอกสาวุคที่สองก็ลแลคล้ายกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าที่บรรดาพระเีระทั้งสองทั้งหลายไมายควาว่าไปสู่บ้านเพื่อนเน่ะท่านสั่งบรรดาพระที่ได้เป็นอารัานที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ไปบอกเพื่อนแต่ท่านเองก็ไปเหมือนกัน ไปแล้วได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของสิริวัฒนะสิริวัฒน์แล้วสิริวัฒน์ไดกล่าวว่านานนักหนอะแต่คุณเจ้าของเราจึงมาจึงได้รีมนให้นั่งมาอาสนะตนนั่งอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทําไมอันเตนวาสิกบริษัทคือพวกคุณเจ้าท่านหลายจึงหายไปแล้พะพยา้า เ, ออเขาแยตอบกันว่ายังไงก็งดไปก่อนนะครับอีกว่าเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะเวลามันหมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอท่านหาัายลตั้งใจสมาทานประกมฐานเสียก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อไป